กำลังเดินทางมาสู่กรุงสาวัตถีข้าพระองค์จะปฏิบัติต่อภิกษุเหล่านั้นอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าขหะบดีท่านจงถวายทานในภิกษุทั้งสองฝ่ายครันแล้วจงฟังธรรมในภิกษุทั้งสองฝ่ายแล้วจงพอใจความเห็นความถูกใจความชอบใจ